พรบญญัติ9 7ก็ภิกษณีใดบวชให้หญิงที่มีครอบครัวมีอายุครบ12ปียังไม่ได้ศึกษาศิกษในธรรมของพ่อตลอด2ปีต้องอาบัติมาจิปีเรื่องภิกษณีหลายรูป